พระรหัรเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ชอบฟังธรรมี่สุดนะพระอรหันต์ที่เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะท่านชอบฟังความจริงฟังสัจจะขณะเดียวกันเนี่ยการฟังธรรมของพาาระอรหันต์เนี่ยมีเป้าหมายอันเดียวคือฟังเพื่อพิจรารณาพระนิพพานจากแง่มุมต่างๆเพื่อปฏิสัมพิธายานของท่านจะได้ ปัญญาของท่านจะได้เจริญขึ้ น, นผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยย่อมได้ความรู้อัตถะได้ความรู้ธรรมมหครวัตได้อัตถรสได้ธรมรมรสแล้วก็ได้วีมุติรสได้รสต่างๆน่นะผู้ที่จะให้พระธรรมดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยใครก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีกรุณากว้างใหญ่ไพาศาลเหมือนกับห้วงมหนันนบเนี่ยนะ แล้วก็มีปัญญาที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและปัจจุบันโลกนี้โลกหน้าอย่างยิ่งหรือว่าภพภูมิเราได้ข้อปฏิบัติเราได้สังคตะเราได้อะไรก็ตามที่ไม่ที่ไม่รู้ไม่มีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่บางทีมันรู้มากนะแต่รู้แล้วทําอะไรไม่ถูกอนนเหมือนบางคนเนี่ยไปเห็นมาเยอะแหละแต่ทําอะไรไม่เป็นซากอย่างเลยนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไร ชั่วอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์พระองค์รู้มากพระองค์เห็นมากพระองค์ฟังมากพระองค์มีสุตตะมากแต่พระองค์แยกว่าอะไรดีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อะไรเป็นกุศลและอกุศลอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอะไรเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อมพระองค์เนี่ยรู้แบบนั้นรู้แล้วสําเร็จประโยชน์สําเร็จประโยชน์แก่พระองค์ด้วยสําเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยยังประโยชน์ท้องพระองค์และประโยชน์ของ สัตว์เรล่าอื่นให้สําเร็จเนี่ยนะพันผู้ใดได้กราบไหว้ผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่สุดแล้วเนี่ยนะก็กกต้องควรที่จะเคารพกราบไหว้พระองค์ด้วยใจเอื้อเฟื้อเนี่ยนะหมายถึงว่าอนอบน้อมถ้าจะกล่าวถึงว่าบุคคลที่ควรนอบน้อมก็ไม่มีผู้ใดเสมอเช่นกับพระพุทธเจ้าแต่โดยศัพท์พุทธะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญา พุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาที่ทํากิจสี่ประการตัวพุทธะต้นนั้นจริงๆเนี่ยเป็นชื่อของสังขารขันเนี่ยนะเป็นชื่อของสังขารขันเป็นชื่อของปัญญาถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยปัญญาเจตสิกนะถ้าคนที่เรียนอภิธรรมมัทสังกขะหามาดีหรือเรียนธรรมสังคีนีมาเนี่ยพุทธะเป็นชื่อของปัญญาเจตสิกแต่เป็นปัญญา เป็นปัญญาเยอะทุกอย่างนะคเรียกว่ารวมที่รวมของปัญญารวมของปัญญาหมดหนึ่งหมวดสองหมดสามหมด4ี่หมดห้าหรือปัญญาอันหาที่สุดมิได้เนี่ยนะกวพุทธะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเนี่ยนับหนึ่งก็ได้ก็คือรู้โดยประการต่างๆรู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆปัญญาถ้านับสองเรียกว่าโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาปัญญานับสามสุตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาแล้วก็ภาวนา มยาปัญญาถานับสี่ก็คือปัญญาที่แทงตลอดในอริย ส, สัจสี่หรือปัญญาที่เรียกว่า เ, เวสารชยานสี่เป็นต้นเนี่ยนะแต่ตรงนี้พิเศษก็คือเน้นปัญญาที่ทํากิจในอริย ส, สัจ4ี่ปัญญาที่รอบรู้กองทุกโดยประการทั้งปวงปัญญาที่รอบรู้เพื่อละสมุทัยไม่ใช่รู้สมุทัยแบบเออเนี่ยนะตัณหาก็รู้ว่าตัณหาโลภะก็รู้ว่าโลภะเป็นต้นไม่ใช่ ปัญญาตัวนั้นปัญญารู้วิธีการละโลภะรู้สมุทยมัยศัตร์นั้นไม่ใช่กับแค anyway, ่แบบเออเนี่ยตันหาละบอกไม่ใช่แค่นี้นะแต่เป็นปัญญาที่รู้วิธีการละตันหาปัญญาที่รอบรู้กองทุกวิปัญญาที่รอบรู้วิธีการละตันหาปัญญาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาที่รู้ว่าเจริญปัญญาได้อย่างไรปัญญาที่รู้ว่าปัญญาจะเติบโตได้อย่างไร ปัญญาที่รู้ว่าศีลจะเจริญได้อย่างไรสมาธิจะเจริญได้อย่างไรเป็นปัญญาที่รู้ว่าปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเองอ่ะจะเติบโตได้อย่างไรรู้ว่าเออน euh. ี่คือปัญญาปัญญาที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ภัยบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยนั่นคือลักษณะของปัญญาเพราะนั้นปัญญาคือสัมมาทิฏฐิอันนั้นรู้ว่าอะไรเป็น มิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญานั้นปัญญาจึงเลือกเฟ้นเลือกฟันว่านี้กองทุกขนี้สิ่งที่ต้องละจำเป็นต้องละแล้วก็นี้ต้องทำให้แจ้งแล้วจะเจริญคุณธรรมดังที่กล่าวอย่างไรมันพุทธะตัวนั้นเนี่ยนะแปลว่าปัญญาที่รู้แล้วสามารถทำกิจในอริยสัจสี่อย่างสาเร็จแม้แต่การบอกการสอนก็สอนในอริยสัจนั่นแหละสอนให้เขากาหนดรอบรู้ใน กองทุกพระองค์ก็สอนให้เขาละสมุทัยสอนให้เขาทําพระนิพพานให้แจง้งสอนให้เขาปฏิบัติในอริยมรรคเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยมรรคเพิ่มพูนอริยมรรคให้เขาเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปมันพระพุท ธ, ธพุท ธ, ธะเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นกษัตริย์ก็เลยเรียกว่าพระองค์ว่าเป็นเจ้าพระก็คือผู้ประเสริฐผู้ที่มีปัญญาที่ประเสริฐเนี่ยนะยกปัญญาเป็นสิ่งที่ สูงสุดเนี่ยนะปัญญาเป็นแสงสว่างเนี่ยนะปัญญาเป็นพูดสิ่งที่สูงสุดแต่จริงพระองค์ไม่ได้มีแต่ปัญญาพระองค์มีทั้งศีลมีสมาธิด้วยเนี่ยนะเพราะกิจปัญญาที่ทํากิจในอริยสัจเนี่ยปัญญาอนั้นเป็นมัคคสัจจะเป็นปัญญาในอริยมรรคพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลผลิตของการเจริญอริยมรรคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราการเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพุทธ ผู้ที่ฟังอริยสัจเรียกว่าสุตตพุทธะผู้ที่เห็นอริยสัจ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าสาวกพุทธะผู Vielen, <background> ้ที่เห็นอริยสัจโดยลําพังตัวเองเรียกว่าปัจเจกพุทธะปะเจกปเจกเนี่ยนะเฉพาะตัวแล้วก็สุดท้ายก็คือสัมมาสัมพุทธะผู้ที่รู้อริยสัจโดยสร้างสมบูรณ์บารมีมาด้วยลําพังตัวเองแล้วก็ตรัสรู้ บอกสอนแต่งตั้งแนะนำให้เขาตัหนดรู้กองทุกพระสมุทัยให้สำเร็จพระนิพพานด้วยการเจริญโสดาปติมัคได้รับผลคือโสดาปติพนเจริญสกทาคามิมัคให้เขาได้รับผลคือสกทาคามิผลเจริญอนาคามิมัคเพื่อเพื่อรับผลคืออนาคามิพนเจริญอรหัตตมัคเพื่อให้ได้รับผลคืออรหัตตผล เพระองค์นี้จึงเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นดวงตาของโลกนะพระผู้เป็นดวงตาของโลกพระผู้มีจักสุในโลกเนี่ยนะผู้ที่นอบน้อมนับถือพระพุทธเจ้าก็ถ้าเรียกว่าถ้านับถือแสงสว่างก็ถือว่านับถือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าจะนับถือภูเขาก็ต้องถือภูเขาที่สูงสุด ถ้านับถือน้ําก็ต้องแบบน้ํำทะเลอย่างเงี้ยถ้านับถือดินก็ต้องแบบแผ่นดินทัน้งแผ่นดินนั่นแหละชั้นใดผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าก็คือนับถือสิ่งที่สูงที่สุดสุดยอดเนี่ยนะนั้นเพราะอะไรเพราะยอดกว่าสัตว์สองสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์อะไรนะมากเท้าจํานวนมากสัตว์มีรูปหรือสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาหรือว่าสัตว์ที่ไม่มี สัญญาสัตว์มีหรือว่าเนวะสัญญาสรุปว่าสัตว์ในภูมิทั้งสามเนี่ยนะสัตว์ทั้งมวลเลยเนี่ยนะอันหาที่สุดไมิได้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดกว่าสัตว์เหล่านั้นเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เหล่าอื่นโดยมากเบียดเบียนสัตว์แต่พระพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์สัตว์เหล่าอื่นมุ่งจะฆ่าสัตว์แต่พระพุทธเจ้ามุ่งให้สัตว์มีความสุข สัตว์เราเอื่นมุ่งประทุษรายสัตว์แต่พระพุทธเจ้าไม่มุ่งประทุษรายสัตว์สัตว์เราเอื่นเศร้ามองในสัพพสัตว์แต่พระองค์ไม่เศร้ามองในสัพพสัตต์สัตว์เราเอื่นประทุษร้ายสัตว์อื่นด้วยโทสะเป็นต้นแต่พระองค์มีเมตตาต่อสัพพสัตต์สัตว์เราเอื่นโง่เขางมงายในสัตว์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่รอบรู้สัพพสัตต์พระองค์จึงช่วยสัพพสัตว์ให้พ้นจาก ทุกโศกโรคภัยพระองค์จึงช่วยสรรพสัตว์ให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่กเกษมและก็ปลอดภัยเนี่ยนะมันก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของเราที่สั่งสมมาดีไม่ใช่น้อยจึงได้มานับถือพระพุทธเจ้าได้มานับถือบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดบริสุทธิ์ขนาดนี้ขณะเดียวกันเราก็ต้องสังวรให้ดีว่าศรัท ธ, ธาก็เป็นสิ่งที่ศรัท ธ, ธามีอยู่สี่ประเภทศรัท ธ, ธาประเภทที่หนึ่ง หาณภาคยะก็คือกลุ่มพระจันทร์ข้างเรมเลื่อมไสในพระพุทธเจ้าก็รอวันเลิกเนี่ยนะอันนี้ประเภทหาณภาคยะวันแรกโอ้ยพระพุทธเจ้านี่ตื่นเต้นมากวันที่สองก็งั้นๆแหละวันนะในที่สุดก็เออมาเอาละเ น, นั่นนะคิดถึงคนอื่นดีกว่าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าศรัทธาประเภทนี้หานาภาคยะพวกทิฏฐิภาคยะเมื่อไรก็อรหังก็ได้เท่าเดิมอน่ยฉลาดเท่าเดิมตลอดเนี่ยนะวันนี้ทิติภาคยะแต่พวกวิวเศษภาคยะ ก็ศรัทธาเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะผ่องใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนแรกก็พระพุทธเจ้าก็ธรรมดายิ่งศึกษาเขาก็ยิ่งเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนไม่รู้จะนับถือใครแล้วขอนับถือนติเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเนี่ยนะอย่างที่คําสวดมนต์ทำวัดเย็นตั้งหลายเจ้าเป็นคําของผู้ที่เขารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเนี่ยนะเขาก็เลยกล่าวเป็นบทธรรมที่ไพเราะ ม, มากนะ ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเป็นพืชกําจัดภัยเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้ววันขอเอาพระองค์นี่แหละเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าปฐมานุสติฐานนางวัน น, นะ ขอเอาพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะมันชีวิตนี้ก็คือกายกรรมเจีกรรมมโนกรรมขอโอนอ่อนอนุวัตตามพระพุทธเจ้าอะไรที่ทําไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ดีแต่เราอย่างบุญน้อยไม่ยังไม่ปฏิบัติตามพระองค์ได้เท่าที่ควรจะเป็นนะเราเนี่ยไม่ดีเองเราบุญน้อยนะมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยน้อยเราจึงปฏิบัติตามพระองค์ไม่ได้มันท่าจะเป็นทาตก็ขอเป็นทาตของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่าก็แปลว่าขอเป็นบ่าวรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนายมีอิสระเพราะอย่าลืมว่าคําสั่งทุกอย่างที่พระองค์สั่งออกมาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราอย่างเดียวเนี่ยนะพระองค์คําว่านายไม่ใช่ว่าเป็นนายที่เหี้ยมโหดขาดเมตตาไม่แตกทุกคําที่พระองค์ทำก็เพื่อประโยชน์สุขแก่เราเนี่ยนะพันขอให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สูงสุดของเราพระองค์นี้เป็นผู้กําจัดภัย ภายในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายในทุกอย่างนะสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายอนะความทุกข์ที่เกิดความเกิดก็เป็นทุกเป็นต้นวัตทุกข์ทั้งหลายพระองค์นี่ช่วยกําจัดทุกภัยทั้งปวงให้แก่เราพระองค์นี้ทรงไว้ซึ่งประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งทำที่สุดให้แก่เราฟันเราก็ขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระพุทธเจ้าในโลกนี้เราไม่มีอะไรที่เราจะรักกับเท่ากับชีวิตอีกแล้วพณ์ก็ขอมอบกายสวายชีวิตนี้แหละแด่พระพุทธเจ้าพณนกายวาจาใจที่เป็นอยู่ก็จะขอปฏิบัติตามอ่นนะกายก็ปฏิบัติตามที่พระองค์บอกสอนเพื่อเจริญสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะหรือขอเจริญตามอริยมรรคเรียกว่าปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาที่พระองค์บอกแนะนํา่นนะ เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วตรัสรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาปฏิปทาอะไรเป็นสัมมาปฏิปทาอะไรเป็นข้อปฏิวัติเพื่อความพ้นทุกข์พระองค์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ถูกต้องแล้วพันสารณะอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ะพันสารณะคือที่พึ่งที่ระลึกถึงไม่ขอพึ่งคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยจะขอพึ่งเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้ว รนะะลึกถึงจะขอระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่สุดเนี่ยนะที่ไปในเบื้องหน้าขอเอาพระพุทธเจ้านี่แหละนําหน้าไปเนะนะนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่ที่ประเสริฐที่สุดของข้าพเจ้าปันบางทีก็ใจเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอาศัยความมั่นใจที่เขาเนี่ยมีพระองค์เป็นสารณะพระพุองเนี่ยเป็นสารณะที่สูงสุดจริงๆ ตั้งมาเป็นสัจจะวาจาว่าเอเตนะสัจชวัตเชนะวัทยังสาธุศาสนาด้วยการกล่าวคําสัตนี้ไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยหวังให้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาถามว่าทําไมทําไมไม่ไปขออายุขอวันณะขอหลับขอยศไปขออย่างอื่นบอกว่าถ้าเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอะไรที่ยังไม่ได้บุคคลได้มนุษยสมบัติถือว่าด้วยพรหมจรรย์อย่างเลว จักรพาสมบัติเลยนะด้วพรหมจันทร์อย่างเลวแล้วก็ถ้าได้สวรรค์สมบัติคือทั้งสวรรค์ทั้งพรหมด้วยเนี่ยพรหมจันทร์ปานกลางแทงตลอดมักผลด้วยพรหมจันทร์อย่างประเสริฐท่านถ้าเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีตกต่ำมีแต่เจริญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเจริญที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรจะเจริญยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะนะลักณะเดียวกันเนี่ยนะ ทุกอย่างที่กระทําต่อพระพุทธเจ้าเราได้รับประโยชน์หมดเลยนะเราได้รับประโยชน์ประโยชน์นั้นก็เรียกว่าบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเราก็ได้สร้างเหตุสิ่งที่เป็นบุญเราเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเราไม่มีเสียเลยแมย้แต่นิดเดียวมีแต่ได้กับได้เว้นไว้แต่เราคิดชั่วกับพระองค์ร ต, ตรงนี้ช่วยไม่ได้นะอันนี้ของใครไม่ได้เกิดจากพระองค์นะเกิดจากความพลาดของตัวเองอันน้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีแต่ได้รับประโยชน์ โดยส่วนเดียวไหวกว็เป็นบุญพูดถึงก็เป็นบุญระลึกถึงก็เป็นบุญกราบไหวบูชาทุกอย่างที่เราทำเพื่อพระองค์สิ่งนั้นเพื่อเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะไม่ได้เพื่อพระองค์อยู่แล้วว่าพระองค์ในถึงที่สุดแห่งทุกพันทุกอย่างเป็นบุญหมด การนอบนอบ้อมการบูชาการยกย่องการสรรเสริญทั้งหมดเป็นบุญการศึกษาและการปฏิบัติตามเป็นบุญของเราเรียนรู้คำของท่านก็เป็นบุญของเราฟังคำของท่านก็เป็นบุญของเราปฏิบัติตามที่ท่านเราเข้าใจก็เป็นความเข้าใจของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยมันทุกอย่างเป็นเป็นบุญเป็นกุศลและบุญเหล่านี้เนี่ยนะช่วยปกปักรักษาเราให้คนทุกันคนที่ ฉลาดเนี่ยเขาจะอ้างเอาบุญที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้านี่แหละช่วยปกปักรักษาให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทางป่วงขณะเดียวกันตอนท้ายเขารู้ว่าการล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้านั้นมีโทษมากเนี่นะล่วงเกินคําว่าล่วงเกินเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้โทษแต่อย่างสมมุติว่าสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์ให้โทษแก่เราแต่เราเนี่ยใช้สิ่งที่มีประโยชน์ผิดประเภทมันก็เลยมีโทษสำหรับเราเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นโทษอันใดที่จะพึงมีด้วยกายวาจาเละใจเป็นเรื่องที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิมันก็ขอโทษเนี่ยนะนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อการสังวรสารวมระวังต่อไปเพราะคนที่รู้ว่าโทษ เป็นโทษโดยความเป็นโทษตั้งไว้ที่จะสังวรสํารวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสมมติถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยล่วงเกินพระองค์ด้วยกายวาจาใจก็ขอโทษแล้วตั้งใจที่จะสํารวมระมัดระวังสิ่งใดที่เป็นข้อผิดข้อพลาดเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ล้มลงบนแผ่นดินต่อไปก็ตั้งใจเดินให้ ให้ดีๆต่อไปเนี่ยนะแผ่นดินก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราพลาดล้มบ่อยๆเราก็เจ็บบ่อยๆเนี่ยนะเราถ้าเราพลาดทําบาปกับพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราก็บาปบ่อยๆแต่ถ้าอะไรที่เป็นบาปแล้วก็มุ่งที่กําจัดบาปเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วก็ตั้งไว้ในฐานะที่ต้องสังวรสํารวมระวังต่อไปเพราะว่าการสังวรสํารวมระวังการปิดห้ามความชั่ว เป็นเหตุให้เพิ่มพูนความดีนี้เป็นความเจริญในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะประโยชน์อันใดในพระพุทธศาสนาที่เพึงมีเป็นเนี่ยนะประโยชน์เหล่าใดที่พระองค์ทรงประสงค์ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้